ในขนาดนั้นก็ทำไปด้วยแล้วก็จิตก็ผ่องใสเป็นไปกระาเมตตามีความรักปรารถนาดีต้องการทำอาหารดีๆให้อะไรต่างๆดูแลเช็ดปัดกวาดถูเป็นต้นอะไรเนี้ยลักษณะเมตตามันจะเดินไปอย่างเงี้ยนี่เาเรียกเมตตากายกรรมต่อหน้าถ้าเมตตากายกรรมรับหลังก็แล้วเขาทำรับหลัง รับหลังท่านผู้นั้นไม่อยู่ต่างๆก็ทําำทําให้ทําได้จิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสจริงๆเป็นไปกับเมตตาจริงๆเมตตาออกมาเพ่นพ่านออกมาเดินจริงๆยนะออกมาทางกายกร ร, รมจริงๆนี่เขาเรียกเมตตากายกรรมรับหลังถ้าเมตตาวจีกร ร, รมก็คือพูดต่อหน้านี่นะก็หมายความมีกรณีเงี้ยเ ม, ม่นานามานเนี่ยนะเวลาจะพูดไปมาต้องมีจิตใจที่เป็นไปกับเมตตามีความรักความปรารถนาดีความเมื่อทอน ป่าตนะเราท่านทั้งหลายนั้นได้มีความรู้ในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและในขณะพูดไปใจก็คิดอย่างนั้นจริงๆนะปราตนาะท่านทั้งหลายเนี่ยได้รู้พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสัทีเถอะขอให้รู้คําสอนอย่างเดียวและไม่พอให้นํา คำสอนพระเจ้านั้นไปบ่มไปขัดเกลวนืในการที่เดินตามทา น, นกุศลศีลกุศลภาวนากุศลหรือเดินตามสิกขาสามก้าวคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพาการขัดเกลวประพฤติปฏิบัติและเป็นปจัจจัยในการพ้นทุกข์โดยเร็วน่มาพูดตรงๆไปเนี่ยนะนี่ก็เรืเมตตาวจีกรรมต่อหน้าเม้ลับหลังก็พูดอย่างเนี้ยไปพูดถึงคนนั้นคนนี้ก็สรรเสริญคุณเ น, นที่มีอยู่จริงเนี่ยนะพูดในลักษณะนี้ก็เรืเมตตาวจีกรรมรับหลัง ลักษณะอย่างี้ก็เรียกว่าเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมแล้วก็โดยเฉพาะที่สําคัญที่สุดก็คือเมตตามโนกรรมเราท่านทั้งหลายที่เราจะมาทํากิจในวันนี้ก็คือทําได้สองส่วนสามส่วนทั้งเมตตากายกรรมวจีกรรมและมนโนกรรมขับเน้นที่มนโนกรรมเป็นประการและสำคัญที่เราจะมาเจริญมานั่นกันในวันเนี้ ที่เราจะมาอ่านมาสาธยายในขณะสาธยายไปก็มันน้อมในการที่ขัดเกลืและนี้ส่วนจริงพอจนถึงท้ายรายการแล้วก็อุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะให้เป็นพระราชกุศลเป็นต้นเหล่านี้นะและให้สปสสาร ท, ทั้งหลายเป็นต้นด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้สังคมไทยเราเนี่ยนะเพื่อจะได้เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งน้อยนิดให้เป็นปใจใัจัยเกตทําให้สังคมคนไทยนะหันมารักกันอย่างเดิมสมัยก่อนยอมยําได้ใช่ไหมที่เขาใช้คำนวนว่า พิกบ้านเหนือเกลือเรือนใต้หมูไปไก่มาก็คําบรานเลยนะบบราณเนี่ยมาจําได้ที่ว่าน้ํำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าข่าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนายเรือพึ่งพายเนี่ยบางทีเขาก็จะเสือพีเพราะป่าปกป่ารกเพราะเสือยังดินเย็นเพราะหญ้าบังหญ้ายังพอดินดีเข้าใจป่ะเสือเนี่ยพีเพราะป่าปกเนี่ยเสือมันจะอ้วนมันจะพีได้มันต้องอาศัยป่า ใช่ไหมมันต้องอาศัยป่าในการทํามากินอะไรต่างๆมันในเสือนี่นะป่ารกเพราะเสื อ, อยังเนี่ยแปลว่าถ้าป่านเนี่ยนะป่ามันจะรกคนไม่กล้าไปตัดไม้ในสมัยโบราณได้เพราะก็กลัวพญาป่าก็คือเสือนเป็นพญาไม่กลัวเสือดินเย็นพราะหญ้าบังดินมันจะชุ่มชื้นมีโอชาเป็นต้นได้มันต้องอาศัยต้นไม้ใบหญ้าอาศัยต้นไม้นะ หญ้ยายังพรดินดีต้นไม้มันจะมีชีวิตอยู่ได้ไมันต้องอาศัยดินดีเป็นต้นเห็นไหมความเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันอย่างนี้มันเลยกลายเป็นว่านั่นแหละสังคมไทยเราเป็นอย่างนี้สังคมไทยไม่เคยเป็นระบบแบบนี้ระบบการขัดแย้งอย่างนี้หรอกเหตุที่เป็นอย่างนี้เพราะสังคมไทยนั้นมีหลักของสังขาวัตถุ4 ก, ก็คือมีทานคือการให้การแบ่งปันการสละนี่นะปิยวาจาการกล่าววาจานเป็นที่รัก คือกล่าวด้วยเมตตาวจีกรรมกายกรรมเบนเดอร์หนกระทำเบนเดอร์เนี่ยแล้วก็อัตตาจริยาคือการประพฤติประโยชน์ใช่ไหมแล้วก็สมาณาตาการวางตนเหมาะสมธรรมะสีประการนี้เขบอกอุปมาเหมือนกับริมของลอ้อรถเป็นไปได้อยู่ไอ้รถหรือลอ้อเนี่ยมันจะวิ่งไปได้เนี่ยมันจะไม่กระจัดกระจายออกเนี่ยเพราะมันมีริมสลักอยู่ใช่ไหมมันก็ไปทําให้ลอ้อหรือเพลาไม่แตกออกจากกันได้แม้ฉันใดสังคมมนุษย์เนี่ยมันขาดหลัก สี่อย่างเนี่ยคือทานการให้จนถึงการให้อภัยกัน น, นู่นแหละนั่นแหละปิยาวาจาการกล่าววาจาเป็นที่รักทุกวันนี่มีบ้างไหมไม่มีเลยนะด่ากันคกมโกลมนี่ไม่เหมาะแล้วก็อัตตาจริยาคือการบวชพฤติประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ทนะ่านเนี่ยแล้วก็สมาณะ ต, ะตาการวางตนในเหมาะสมเนี่ยโทษของการลืมพระธรรมของพระบรมศา ส, าศาสดาก็เป็นแบบเนี้ย แต่เราก็มาดูรู้อย่างนี้เราจะได้โอ้่นี่เองมันหลักหลักกันสังคมที่มันจะไปร่วมกันได้ไปอย่างไม่พังเนี่ยเขาเรียกว่าไปแบบมีริมสลักอยู่มีริมแบบประดุอุปมาเหมือนล้อรถไปได้อยู่ไม่ใช่ไปแบบพังนะไปได้อยู่อ่ะไปแบบไม่พังไปแล้วมันไปแบบมีริมสลักทําให้ไม่กระจัดกระจายเดี๋ยวนี้ไปกันคนละทิศละทางเลยนั่นไปคนละทิศละทางเลยนะเข้านะเข้าไปก็เป็นขัดแย้งมันไปที่ถึงก็ไปพัง กรณีการขัดแย้งเนี่ยจริงๆนะเท้าขวากับเท้าซ้ายเนี่ยมันขัดแย้งกันนะให้สังเกตเลยอมเวลาจะยกขาเข้าขาอีกขาหนึ่งขึ้นนี่อีกขาหนึ่งก็ต้องยันใช่ไหมขาหนึ่งก็ต้องยกเนี่ยมันไม่ได้ไปพร้อมกันนะไอ้คำว่ามันนี้มันขัดแย้งกันเนี่ยแต่มันขัดแย้งกันเพื่อสําเร็จประโยชน์มันไม่ใช่ขัดแย้งเพื่อจะขัดขาแล้วมันล้มมันไม่ใช่องนั้นในกรณีอย่างทุกวันนี่มันขัดขาไม่ใช่ขัดแย้ง ถ้ามันขัดแย้งเป็นไปโดยการที่จะให้มันไปกันด้วยกันได้ไนะม่ก็คนละมุม่อันนั้นก็ว่ากันไปนะตรงนี้นี่แหละก็เราท่านทั้งหลายก็เจริญเมตตาให้ชัดเดี๋ยวต่อไปก็พอรู้จักกับเมตตามีความรากักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแล้วก็กรณีที่ว่ากิจของเมตตาก็คือว่ามีการที่ว่าออกไป มีกายกรรมที่เอื้อมหมอกไปจริงๆวจีกรรมก็มีการกระทําออกไปจริงๆมโนกรรมก็มีการคิดถึงใครก็ไม่ได้คิดปเปล่าๆแล้วก็มีเมตตาเป็นไปกับความคิดเป็นต้นด้วยผลของเมตตาปรากฏก็เกิดขึ้นมาก็สามารถก็บรรเทาความกโกรธเป็นต้นได้นะความกโกรธเนี่ยนะ ถ้ามัพิจารณาในลักษณะอย่างนี้ก็ระวังก็คือว่าโทสะเนี่ยมันเป็นตัวทาเหตุไกลของเมตตาราคะมั น, นธรรมชาติที่ใกล้ก็เดี๋ยวค่อยพิจารณาตรงนี้ถ้าเข้าใจสภาพของเมตตาพอสมควรแล้วตรงนี้ก็เอเดแผ่เมตตาอาว่าพร้อมกันนะในหน้าที่5สัพเพสัตตาอเวราอพยาปชาอะนีคาสุขีอัตตานังปริหารตุ ตว์ผู้คลองด้วยฉันทราคาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงเป็นสุขอันไม่มีโทษบริหารตนเถิดสัรเพปานาอเวราอาภยาปัจชาอะนีคา สุขีอัตนานปริหรันตูศาสผู้เนื่องได้ลมหายใจทั้งหลายทั้งปวงจองเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรม ท, ทั้งหลายจองเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจองเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจองเป็นผูุ้กอันไม่มีโทษบริหารตนเถระซาเพภูตาอเวรา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 สาเพปุคลาลาอาเวราอาปยาปัจ ช, ชาอานีคาสุขีอัตานังปริหรัรตุสัตว์ผู้ไปในนรกทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูแ ป, ปรปราธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงเป็นผู้สุขอันมีโทษบริหารตนเถอสซาเพอัตตภาวะปริยาปันนาอเวราอาปยาป ช, ชานิคาสุ ข, ขิอตานังปริหรันตูศาสผู้นับเนื่องในอัฐภาพทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูณบาปปาธรรมทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจองเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจองเป็นความสุขอันไม่มีทอดบริหารตนเถิดอันนี้เป็นแบบไม่เจาะจงต่อไปเดี๋ยวเอาเจาะจงอีก6เนี่ยนะอีก7อีกเนะเขาเรียกว่าอาโนทิสาเนี่ยแบบไม่เจาะจงนะห โอธิส า, น า, าเนี่ยพระนามีตาเจโตมุตเนี่ยนะแบบจะจงเนี่ยนะอีกเจ็ดเนี่ยนะสัพภาอิธิโยอาเวราอาพยาปัชชาอาณีคาสุขีอาตานังปริหารันตูหญิงทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรม ท, ทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีความสุขอันไม่มีโทษสาเพบุริสาอเวราอาพยาปชาสุขียตานังปริหารันตูชายทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลาย จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจงมีความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนเถิดซาเพอริยาอาเวราอาพยาปา ช, ชาอเนคาโสขิยาตานังปริหารันตุภาริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวง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 จงมีความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนเถิดสาเพเทเ ว, วาอเวราอปยาปาชาอนันอนีคาสุขิอตานังปริหารันตูเทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปาธรรมทั้งหลายไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ จงมีความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนเถิดซาเพมนุสสาอเวราอภยาปัชฌาอานีคาสุขีอัตนานปริหารันตุมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีพยาบจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ มีโทษบริหารตนเธอสาเพวินิปาติกาอาเวราอาพยาปัจ ช, ชานีคาสุขีอาตานังปริหารันตุผู้ตกยูนอาบายทั้งปวจองเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลายจองเป็นผู้ไม่มีพยา จองเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจจองเป็นความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนเถิดอะเดี๋ยวต่อไปเราลงฝึกเจริญเมตตาที่อารมาจะนําในการอธิบายไปเรื่อยๆนิดหน่อยนะเพื่อให้เราท่านทั้งหลายได้น้อมระลึกนี่ตรงนี้โดยหลักก็คือมีสองประการนี่แหละการเจริญเมตตาก็เป็นอนุทิสาพาระนาเมตตาเจโตมุตต์ตัจอะจง ห้าอย่างแล้วก็โอทิสาพระนาเมตตาเจตยมุตมดโดยไม่เจาะจงเจ็ดทีนี้โดยหลักการในการเจริญเมตตาจริงๆแล้วตามหลักแล้วก็ที่ต้องทําเบื้องต้นก็คือการแผ่มเผมตตาให้กับตนเองการแผ่เมตตาให้กับตนเองก็หลักก า, การก็อันเดียวกันเนี่ที่บอกว่าอาหารอสุขีโตโหมีคอยข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถอะอันนี้น้อมอะไร เมื่อเรารู้จักเมตตาแล้วเป็นธรรมชาติที่มีความรักความปรารถนาดีความเอื้อถอนแบบจับใจแล้วแล้วก็มีการแผ่เมตตาน้อมเนี่ยนะจะหลับตาลืมตาหลายท่านต้องสะดวกในการห ล, ลับตาทีนี้ตั้งกายให้ตรงนี่นะในกรณีการเจริญเมตตาเนี่ยท่านก็จะต้องทำกันในลักษณะอย่างนั้นถ้าเป็นพระท่านบอกว่าปูอัสนะแล้ว เขาตั้งกายให้ตรงเมื่อตั้งกายให้ตรงเบ็เสร็จแล้วท่านก็มนานัิการน้อมในการที่แผ่เมตตามนโนกรรมเนี่ยนะก็ใช้มนโนกรรมในการที่เพราะเป็นกิจทางมโนทวานในการที่จะแผ่เมตตาให้กับตนเองเนี่ยนะที่ท่านบอกว่าอาหางสุขีโตโหมีคอใยเข้าไปเจ้าเนี่ยจงเป็นผู้มีความสุขเถิด ถ้าบอกขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขความสุขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัตว์โลกทั้งหลายปรารถนานความสุขมีหลายระดับนะถ้าในกามาสุขหรือในฌานสุขหรือในสุขในระดับในนู้นในการที่จะพ้นจากกิเลสทั้งหลายแล้วบอกขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขสุขจากการที่ไม่มีกิเลสมาเจือปนเนี่ยนันเป็นความสุขที่สุดยอดแล้ว เราปรารถนาความสุขที่ไม่ให้กิเลสนั้นมากั้มกลายในตัวเราท่านทั้งหลายน้อมความคิดไปแต่ละครั้งเราท่านทั้งหลายที่ผ่านมาในสังสารวัฏเนี่ยเราเนี่ยประสบกับชาติทุกข์ชราทุกข์ปยาทุทกข์มรณะทุกขนะ์เนและความทุกขนะ์เนี่ยท่วมทัดทับกระแสขันทา่อาอดยตนาของเราอย่างยาวไกลใช่สิ่งที่เราปรารถนากันทั้งหลายก็คือปรารถนาการพ้นจากความทุกข์ อหังสุขีโตโหมิคอยข้าพเจ้าก็ขอให้กระแสขันท่าดยตนะของเราท่านหลายเน่ยจงพ้นทุกข์โดยเร็วนีให้มีความสุขนะแต่ความสุขนั้นมันหลายระดับดังที่ได้กล่าวแต่แล้วอัธยาศัยปัญญาของแต่บุคคลที่จะคิดเนะหรือเข้าใจเราน้อมจิตในการที่ปรารถนาให้ข้าพเจ้ า, าจงเป็นผู้มีความสุขอหังอเวโรนเนี่ยเนี่ยก็หมายความบอกว่า ขอให้เข้าไเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอเวระเนี่ยมันเป็นชื่อของการจองเวรเช่นปานาทิบาทเนี่ยใช่ไหมการฆ่าเนี่ยการลักการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จสอเสียดคําหยาเพื่อเจออันนี้เป็นเวรทั้งนั้นเลยพยาบาทหรือว่ากามมชันทะยินดีเพลิดเพลินมิจฉาทิฏฐิอกุศลกรรมรบทชสิบเนี่ยนะ ทำอย่างไรจกพ้นเราจะพ้นเวรภัยเหล่านี้ได้ก็ด้วยการน้อมก้าหากุศลกรรมบทขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีเวรเหล่านี้กับใครๆเลยอย่าได้ไปประพฤติเวรต่างๆเหล่านี้ลงสู่กระแสขันหลงเราเลยเรานั่งอยู่อย่างนี้ก็อย่าให้เวรมันเกิดในใจเราอะอะหังอะนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความ อออาหางองพยพโชขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความพยาบาทหรืออย่าได้มีจิตคิดพยาบาทไอตัวพยาบาทมันเป็นมโนทุจริตฉะนั้นตัวมโนทุจริตเนี่ยถ้าไหลก็สู่ใจเราเมื่อไรแล้วเนี่ยตัวมโนทุจริตเนี่ยมันเป็นโทษมากแค่คิดปฏิทุสลายคนอื่นกรรมนั้นมันก็เบียดเบียนท่านแล้วเขาเรียกว่ามโนทุจริต บาปที่เราเป็นพิชชาไอตัวพยาบาทเนี่ยการคิดให้ร้ายบอกว่าอยากให้ท่านพวกนี้วิบัติไปโดยเร็วเนี่ยโดยเฉพาะช่วงภาวะอย่างเนี้ยฝ่ายชอบแล้วก็อยากให้เขาอยู่ฝ่ายที่เราเกียรชังแล้วก็พยาบาทอยากให้เขาวิบัติที่คิดอย่างนั้นน่ยครบกรรมาบทนะท่านนะต้องระวังอยากให้พยาบาทเหล่านี้ไหลท่วมทับ ในโลกใบนี้มันก็เป็นแบบนี้มันจะมีคนที่เราน่าชื่นใจและคนที่เราไม่หน่าชื่นใจแต่ถ้าพยาบาทมันไหลเข้ามาในใจเราท่านทั้งหลายเมื่อไรเนี่ยใจเราจะเสียหาย น, นี่เขาเรียกเป็นพยาบาทเป็นมโนทุจริตถ้ามันครบกรรมมาบทกรรมนั้นนำปฏิสนธิส่งผลในปฏิสนธิการเป็นต้นได้อันนี้เขาเรียกพยาบาทเป็นมโนทุจริต แล้วประการต่อมาก็คือว่าอาหางอนีโคโหมิขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจโดยเฉพาะการเจริญเมตตาเนี่ยหรือเจริญถ้าเราจะทำจิตให้สงบหน่อยเนี่ยนะสิ่งที่ต้องพึงระวังหน่อยก็ถทีนอมิทาตัวหดหูด้วยใช่ั้ย บางทีมันหดหูบางทีใจเราเป็นพยาบาทก็เอาแล้วบางทีทีน้ำมิถาก็ครอบเงาก็ตั้งจิตให้ถูกตรงเนี้นะตั้งจิตแล้วก็ให้มุ่งมั่นบอกว่าในขณะที่เราเจริญกุศลเนี่ยเราจะไม่ให้บาปอากุศลและทําันลามกไหลท่วมทับเพราะอะไรเพราะเรากลัวว่ากรรมเหล่านี้ให้ผลจะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนเจ้าไหม อาถ้กรรมมันให้ผลในปฏิสนธิการขึ้นมามันก็ส่งผลไม่บริบูรณ์มันก็ทำให้กระแสขันท่าระยะนะของเราไม่บริบูรณ์เออเราเบียดเบีย น, ยนตัวเองนะเนี่ยทั้งๆ ท, ท, ที่กรรมในการที่เราจะเจริญในเป็นไปในกุศลละธรรมในคำสอนของพระบรมศาสดาแต่เราก็ปล่อยให้บาปอกุศละธรรมาลามกไหลท่วมทับนี่ยนะอันนี้ไม่ควรแล้วอาหาง อา น, นีโคโหมีอมคอยเข้าไปเจ้าจะได้มีจิตคิดปยาบาิอาคาดวองลายนั้นแล้วก็อาหารสุขีตานางบริหารรามีคอยเข้าไปเจ้าชมพิพื้มีความสุขรักษาตนน่ยที่บอกว่าบริหารตนน่ยรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนี่นะเนี่ยเพระแผ่เมตตาในลักษณะอย่างนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็กต่อไปก็คือเริ่มแผ่แบบไม่เจาะจงหรือเจาะจงแล้วแต่เราอัตนัดแล้วเนี้ย แล้วก็น้อมเมตตาจิตเหล่านี้แผ่ไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่บอกว่าสัพเพสัตตาอเวราอปยาปชาอานีคาสุขีอัตานังปริหารันตูสัตผู้เกี่ยวข้องด้วยชั้นทราค้าทั้งหลายทั้งปวงนี่ท่านแปลโดยออดีกามาขยายชันทราค้าก็แปลอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย ที่นั่งนั่งกันอยู่ทั้งหลายเนี่ยนับตั้งแต่คนในที่นี้เลยอ่ะเนีใครที่ยังมีราคะโทสะโมหะในกมลขันธ์อยู่แต่ยังละไม่ได้นี่นีอันนั้นเขาเรียกกระสับสที่คล้องด้วยฉันตราคะอย่างเราท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่สัตว์ที่ยังคล้องด้วยฉันตะราคะก็แผ่เมตตาให้กับสัตว์เหล่านั้นะจงเป็นผู้มีความสุขเลยนะเป็นผู้ไม่มีศัตรูบ่าวประรรมทั้งหลาย และเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทและจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจและจงเป็นผู้มีความสุขไม่มีโทษรักษาตนให้พ้นจากอันตรายนั่นเองบริหารตนก็คือว่าบริหารตนไปในยาบทยืนเดินนั่งนอนก็เป็นผู้เข้าถึงความสุขดังที่ได้กล่าวนั้นการที่เราน้อมจิตในการให้เป็นไปกับเมตตาจริงๆเ่ย น, นะในการที่เริ่มจะแผ่เมตตาตนเองแล้วก็น้อมเป็นไปในบุคคลอื่นน้อมจากบุคคลในบริเวณเนี้ย บอกว่าให้สัตว์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องด้วยฉันตลาค้าทั้งหลายที่อยู่ในห้องนี้อยู่ในบริเวณนี้จงเป็นผู้มีความสุขจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจจงเป็นผู้มีความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนอยู่ถูดเนี่ยนะอาราคิเป็นไปในลักษณะนี้ลองตรึกลองคข้ครวนบ่อยๆลองดูในใจที่เมตตามันเดิน ถ้ามันไม่เดินบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงอีททำไมใจเราจึงแรงทำลายใจเราถึงแห้งทำไมถึงเมตตามันไม่เป็นไปกันในใจเราท่านทั้งหลายเลยทีนี้ก็นึกถึงอะไรนึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้านะเอออัปปมัญญามีเมตตาเป็นต้นพระบรมศาสดาทรงประทานไว้อี้เราไปรับกรรมฐานจากพระบรมศาสดาอย่างไรเนะเมตตาจึงไม่เดินเมตตาจึงไม่โกด ให้ก็มาคิดใหม่ออน้อมจิตว่าเออเราในฐานะเป็นพุทธบริษัทของพระผู้ธมีพระเจ้าก็น้อมกลับไปรับเมตตาบา ร, รมีต่างต่างเหล่านั้นเอามาคิดเอามาไข้ควรเอามาวิจัยเอามาพิจารณาต่อแล้วก็มาบริหารมาคิดแตเออเนี่ยกลุ่มเราท่านทั้งหลายที่ฟังว่าทำกันในวันนี้เนี่ยออคิดยังไงขอให้ท่านเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวงจงเป็นผู้เนะ ไม่มีศัตรูไม่มีบาปธรรม ท, ทั้งหลายเนะจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทอาฆาตบองร้ายจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจเถิดแล้วก็รักษาตนในพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเสริมได้ไม่ได้ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ที่นั่งกันนะอยู่นะที่นี้จงเป็นผู้พากันขัดเกาในการเจริญศีลสมาธิปัญญา ประพืชปฏิบัติขาดเก่าแล้วก็เดินตามรอยบาทประสาสดาแล้วก็เป็นปัจจัยเกี่กับพ้นทุกทุกท่านเลยนะเนี่ยน้อมจิตไปในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเมตตามโนกรรมต่อหน้าเนี่ยนะน้อมแผ่เมตตาให้บริเวณที่ใกล้ชิดในลักษณะอย่างนี้แปลว่าอะไรแปลว่าเมตตามันเดินออกไปเรื่อยๆปริมาณของเมตตามันไหลไปแบบไม่จอจงเนีเอาบริเวณอย่างเงี้ยนะ นักเข้านักเข้าก็ปริมาณของเมตามันแข็งแรงไหมกับมาย้อมเดือดใจเนาะถ้าแข็งแรงก็น้อมอีกออสัตว์ผู้เนื่องโดยลมหายใจทั้งหลายในห้องนี้ก็ได้หรือขยายไปกว้างกว่าเนี้นะสรุปก็คือว่าถ้าเราจะแผ่ให้กับคนในปริมณฑลในกรุงเทพด้วยและในปริมณฑลด้วยมันก็จะน้อมไปได้กว้างขึ้นอันนี้มันแล้วแต่ปริมาณของกําลังของความคิด กำลังของเมตตากำลังของจิตเราท่านทั้งหลายที่จะแผ่คุมกว้างไปได้แค่ไหนแต่ถ้าหากว่าจิตไม่ค่อยเป็นสมาธิเนี่ยนะมันไปได้ไม่ค่อยกว้างหรอกอันนั้นก็กลับย้อนมาฝึกให้เป็นสมาธิมันทีเป็นข้อๆเนะี่ยอย่าไปใจร้อนในการที่ฝึกขัดหรือในการที่จะเจริญเมตตาทั้งหลายเนี่ยท่านจะไม่ค่อยใจร้อนกันนะถ้าฝึกแบบประเภทที่เร็วๆด่วนได้เลยต่างๆจะไม่ค่อยเป็นประโยชน์ ท่า น, นสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยมากท่านก็จะน้อมไปพิจารณาไปในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตานีแผ่เมตตาเป็นไปในลักษณะอย่างนี้เป็นประโยชน์ยังไงเป็นประโยชน์เพื่อทําให้จิตของเรานั้นเป็นไปกับเมตตาแล้วก็น้อมกุศลที่เกิดขึ้นนะนะให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุข สัตว์ผู้เกิดจากกรรมและกิเลสทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรม ท, ทั้งหลายนะจงเป็นผู้ไม่มีพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจจงเป็นผู้มีความสุขไม่มีโทษบริหารตนอยู่เถิดสัตว์ผู้ไปในนรกทั้งหลายบางคนก็ทํากรรมชั่วเนาะจะไปในนรกทั้งหลายก็ขอให้ท่านเหล่านั้นพ้นจากเวรภัยเหล่านั้นนะ อย่าได้ไปตวกไม้ในอายยภูมิเลยมันเป็นความเจ็บปวดให้ท่านมีดวงตาเห็นทมโดยเร็วทุษนพากันประพฤติปฏิบัติขัดเกลาในการที่จะพ้นจากสังสารวัฏเป็นต้นอะไเนี่ยการพินิษ์พิจารณาในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาโดยเฉพาะว่าสัพเพอตตภาวะปริยาปนาเวราอัปยาปชาเนีคาสุขิอัานางังปริหารันตุ สัตว์ผู้นับเนื่องในอัณภาพทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่กษัตร์ที่มีขันห้านั่แหละจงเป็นผู้ไม่มีเวรนะไม่มีศัตรูและบาปธรับทั้งหลายจงเป็นผู้มีไม่มีความพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจจงเป็นผู้มีความสุขบริหารตนให้พ้นจากโทษนะนะรักษาตนให้ให้มีความสุขแล้วก็พ้นจากเวรภัยทั้งหลายเป็นต้นนั่นท้งทนั้ี่เขาเรียกว่าไม่เจาะจง ถ้าเจอดจงเนะี่ยบางครั้งก็เจอดจงหญิงอย่างเช่นที่บอกว่าเราสาธยายกันสักครู่สเพอิทิยาหรืออิทธิโยเนี่ยนะเอาเวลาอภิญญัปทาเป็นต้นหญิงทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรมทั้งหลายอันนี้ก็าเรียกแผ่เมตตาให้กับหญิงทั้งหลายนี่เขาเรียกเจอดจงนะจงเป็นผู้ไม่มีพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจบางทีท่านเอาข้อเดียวเนะี่ยขอให้หญิงทั้งหลาย ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะจงเป็นผู้ไม่มีความทุกกายทุกใจเธอก็น้อมความไม่เป็นความทุกกายทุกใจนะขอให้หญิงเหล่านั้นจงเป็นผู้ไม่มีความทุกกายทุกใจรักษาตัวเนรพนจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงความสวัสดีในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อมันแล้วแต่จะแปลงคําพูดนะในการที่เราจะไข่ควรพิจารณานะ แปลว่าให้ใจเป็นไปกับเมตตาแล้วมันแผ่ไปได้จริงๆมันน้อมออกไปได้จริงๆฉะนั้นเมตตาเนี่ยเป็นสัพพะทักกากมรฐานด้วยเป็นปริหาริกะกรรมฐานได้ด้วยก็แปลว่าเป็นกรรมฐานที่จําปรารถนาในกิจทั้งปวงด้วยและในขณะเดียวกันจะเอามาเจริญเป็นล่ําเป็นสรรเพื่อให้ทําให้สมาบัติเป็นต้นเกิดขึ้นในกระแสขันเป็นต้นก็ได้ด้วยตรงนี้เราท่านทั้งหลายก็ น้อมไปแต่ละข้อแต่ละข้อที่เราคิดที่เราพิจารณาเนี่ยข้อไหนพยันชนะไหนที่ใจเราเป็นไปกับเมตตาได้ง่ายที่สุดก็นำอัรฐะและพยันชนะอันนั้นมาใคร่ครวนมาพิจารณานี่เป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าใจนั้นเป็นไปกับเมตตาได้จริงๆนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ฉะนั้นเมือ่อน้อมใจเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยก็น้อมจิตในลักษณะที่ว่าให้ท่านเหล่านั้นนะ่ยประสบแต่ความสุขความเจริญดี น, เนนะเช่นเช่นสัพเพปุริสาอเวราพยาะชาเป็นต้นชายทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบ่าวประทมทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจจงเป็นผู้ มีความสุขอันไม่มีโทษบริหารตนถูดแลวก็สัพเพอริยาอเวราอพยาปชาณิคาสุกเ ย, ยตาณังปริหาตุกอันนี้น้อมไปไหนน้อมไปในพระอาริยะเจ้าทั้งหลายเขาบอกแผ่เมตตาเนี่ยก็คือการให้บุญคนอื่นถ้าเราแผ่เมตตาไปให้กับพระอาริยเนี่ยท่านมีคุณมากใช่ไหม ลองคิดดูที่บุญน่ยจะไหลท่วมกระแสใจเราสักเพียงปานใดลองน้อมดูทีขอให้พระอริยะเจ้าทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีศัตรูและบาปธรรม ท, ทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่มีพยาบาทจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจให้ท่านเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณนิมมติคุณวิมมติญาณทัศนาคุณโดยเร็วเถิดนะถ้าเบ็นปา ร, ริยะเบื้องต่ำ ถ้าเป็นภริยาระดับเป็นพระรหารก็ขอให้ท่านจะได้มีความทุกข์กายเลยหให้ท่านพ้นจากความทุกข์กายเถอะเนี่ยนะน้อมแผกเมตตาจิตนยะที่มีในกระแสใจเราท่านทั้งหลายให้กับภาริยาทั้งหลายให้ภริยาทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่มีเวรภัยให้ภริยาทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความทุกข์กายทุกใจให้ภริยาทั้งหลายเหล่านั้นให้ท่านมีความสุขความเจริญต่งาง บุญกุศลที่เราน้อมจิตแล้วก็แผ่ไปได้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจด้วยเมตตาจิตจริงๆเนี่ยนะที่น้อมจิตไปจริงๆเนี่ยใจมันเป็นไปกับเมตตานเป็นไปแต่กับความรักความปรารถนาดีแล้วกัความเ อ, อ, อื้ออทรแล้วเมตตาในเวลาเกิดจริงๆเนี่ยใจมันจะต้องเกตดด้วยนะจิตมันจะออกจากนิวรธาธรรมในขณะนั้นนะ่ะการมาชันทะคือความติดข้องในวัตถุกรรมทั้งหลายด้วยกิเลสกามไปเกิด พยาบาทความหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดทีนมิตาความหงุดหดหู่ท้อถอยก็ไม่เกิดจิตมันจะตื่นมามันจะโปร่งมันจะเบาเนี่ยนะอุทะจักกุกุจักฟุง้งซ่านลำคาญใจก็ไม่เกิดแล้วก็วิจิกิจฉาการกําหนดไม่แน่นอนเนี่ยลังเลสงสัยก็ไม่เกิดทีนี้ถ้าหากว่ากิเลสเหล่านี้มันปกครองในใจตลอดเราออกจากนิวรัตธรรมไม่ได้เนะ แสดงว่าตอนนั้นจิตของเราไม่ค่อยแข็งแรงก็สังเกตว่าจิตเราแข็งแรงดีไหมคนเราเที่บอกว่าสมาธิดีหรือไม่ดีปัญญาดีหรือไม่ดีศรัทธามั่นคงไหมศรัทธาวิรยสติสมาธิปัญญาในดูตรง น, รงนี้ดูตรงสภาพอินทรีย์ของเราท่านทั้งหลา ย, ยตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าและในการที่จะตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระธรรมเป็นต้นหรือไม่ ก็น้อมใจไปในลักษณะอย่างนี้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นการฝึกฝนในการเจริญเมตตาเป็นต้นเ่าเนี้ยก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้